มีอะไรสงสัยอีกไหมทนั่งนานๆเนี่ยมีเวทนาเกิดขึ้นมั้งไหมนะถ้ารู้เวทนาถ้าจะดูเวทนาแบบที่ไปฝึกมาแล้ว น, นะห้ามเปลี่ยนอิริยาบทแต่ถ้าฝึกแบบเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดูเวทนาเพราะของเราอาจจะไม่ได้ มีกรรมฐานประเภทสมถกรรมฐานมากพอที่จะไปดูทนดูเวทนาต่อไปได้นะเราก็ดูจิตเวลามีเวทนาแล้วมันรู้สึกกระวนกระวายใจรู้ทันความกระวนกระวายตอนอตอนเวทนามันไม่มากดูเวทนาไปก็ได้พอดชูชักมากแล้วชักทนไม่ได้รู้ทันความกังวลกวายใจแล้วก็เปลี่ยนอิยาบทปนริยาบถแล้วสบายใจเฮ่อผ่อนคลายเห็นเวทนามนเปลี่ยนไปนี่ก็ใช้ได้เห็นจิตที่มันผ่อนคลายก็ใช่ได้เนี่ยนะ เพราะว่ากรรมฐานในการเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเดียวส่วนคนที่เจริญสมถะมาจิตนิ่งไว้แล้วเนี่ยนะพอจิตนิ่งดีแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีอย่างหนึ่งที่เมาดูเวทนาดูเวทนาคือดูด้วยจิตที่มีคุณภาพอย่างนั้นน่โดยที่ไม่เปลี่ยนในยาบทเนี่ยเวทนามันจะโชว่วาเวทนานนไม่เที่ยง กายไม่ได้ขยับเลยนะีแต่เวทนาค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นแล้วก็อยู่ๆนะมันก็ลดลงไม่ได้ขยับเลยนะมันก็ลดลงเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาแต่จะดูอย่างเงี้ยต้องทําสมถะเก่งๆก่อนเราก็อาจจะตีฆ่าฉันยังไม่เก่งฉันไม่อยากดูเวทนาดูจิตที่มันไม่เที่ยงก็ได้ดูจิตที่มันมีโทสะบ้างดูจดูจิตที่มันมีราคะบ้างดูจิตที่มัน ฟุ้งซ่านไปบ้างอย่างเงี้นะเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าทำสติเพื่อเป็นบันไดสู่ปัชนาเหมือนกันเหมือนกับทำสมถะก่อนแล้วไปดูเวทนาถ้าดูเวทนาแบบนั้นดูไม่ไหวขยับซะก่อนก็เลยไม่เห็นเวทนาแสดงความจริงนะแต่ดูจิตเนี่ยขยับไปสิขยับไปเลยไม่เป็นไรมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วพอมีสติเห็นกิเลสปุ๊บกิเลสดับไปจริงๆนะดับไปเอง แต่ถ้าเราคิดจะบังคับไม่ให้มีกิเลสเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละจะไม่เกิดความจริงให้เห็นเห็นว่ามันไม่ดีก็เลยยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีฉันต้องเป็นคนดีก็เลยบังคับไม่ให้เกิดกิเลสอย่างนี้ก็ไม่เห็นความจริงตอนกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคนอื่นไม่เห็นหรอกเราเห็นเพราะนั้นไม่ต้องอายดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไปนี่แหละแต่ไม่แน่นะบางคนก็เห็นนะ ม, มึงคนมงคลก็เคเห็นกิเลสในใ น, ในใจเราเหมือนกันแต่มีไม่กี่คนหรอกแต่สิ่งสิ่งที่สำคัญคือให้จิตมันเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่ให้ดูคือสิ่งที่อาตมาบอกไปเมื่อกี้ว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าปารมัตสัจจะคือจริงแท้แท้ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่สุนัขแมวจะมีตัวนี้เหมือนกัน เวลาเราเราให้อาหารสุนัขสุนัข ก, ก็จะพอใจความพอใจนั้นไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นหมาหรือเป็นแมวมีความพอใจเหมือนกันเราตีหมาหมาไม่ชอบหมาก็มีโทสะเหมือนกับเราที่โดนตีเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอันนี้เป็นความจริงที่เป็นปรามัตดเราจะมาเรียนคือเรียนให้ดูให้เห็นตัวนี้ส่วนสมมุติที่เป็นคําพูดว่าเป็นโกรธอะไรเนี่ยหรือความคําบ่นอะไร ภาษาไทยก็บนอย่างหนึ่งฝรั่งก็บนอย่างหนึ่งหมาก็เห่าฮห้องๆองมันเป็นภาษามันไม่เหมือนกันแต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้หมาพูดได้ใช่ไหม